คนนั้นคือว่ายัางไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเพียงเข้าใจนึกเดาเอาเองเท่านั้นเองคนจริงธรรมนั้นวิธีที่เราจะรู้จักจริงจริงรู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนี้มันต้องรู้เรื่องรูปนามรู้เรื่องรูปนามล้วกรู้สมมติหรือรู้ทุกของอังอนิจจอนัตตนี่